เคยรักใครเอกนจะอกให้รู้่ฉันเคยนอนตอดกับใครจะบอกใรู้่ฉันเคยคิดถึงใครโอโจะบอกใรู้่ฉันเคยอกอดใครเมือล้จะบอ ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกที่เคยกอดที่หอมแก้มที่ฉันเคยทำให้ใครผิดมากไหมที่พูดว่ารักที่เคยบอกไปว่าคิดถึงใครฉันเคยเจบฉันใจ ไเเเคยยยสสีีตัวจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครเมื่อก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนตอดกับใครจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยคิดถึงใคร oh oh จะบอกใหรู head, ้ว่าฉันเคยอดใครมาแล้วจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยอยู่ใครเมื่อก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยโอ้โหผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคน ผิดมากไหมที่พูดว่ารักที่เคยบอกไปว่าคิดถึงใครฉันเคยเจอฉันใจง่ายและเคยเสียตัวเสียใจ